ก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่อาจารย์คิดว่ามันมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนี่ยมันมันคืออะไรและพอเห็นอะไรจรึงต้องต้องแก้ไขเรื่องนั้นและหากไม่ได้รับการแก้ไขนมันจะส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์อย่างไรและพุทธศาสนาอย่างไรงมันเป็นเรื่องวิธีคิดเลยนะวิธีคิดเลยเนี่ยคือกับปกครองนักสงฆ์เนี่ยหลักๆคือเป็นการ ใช้อำนาจที่จะควบคุมให้พราเนี่ย อ, อยู่ในระเบียบแบบแผนใช่ไหมมันเป็นแนวคิดในเชิงอำนาจในขณะที่การปกครองเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงแนวคิดแบบพุทธเนี่ยนะก็คือเพื่อเพื่อเออให้เกิดการศึกษาให้เกิดความเจริญงอกงามหน้าที่ผู้ปกครองเจริงๆอะ่ะก็คือไม่ใช่เพื่อไปควบคุมแต่เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในทางธรรมะ อันนี้เนี่ยมันเป็นเป็นผมต้องบอกว่ามันเป็นความเป็นปัญหาแต่วิธีคิดแล้วเพราะว่าพอพอที่แบบนี้ม่ต้องแช่งอำนาจมันก็เข้าไปสู่ระบบอํานาจนิยม mm hmm. นะแทนที่จะเป็นไปเพื่อ mm hmm. เพื่อส่งเสริมหรือแบบพูดการศ้านี่พูดง่ายอย่างที่เจ้าคุณทกากรมคุณาภรนว่าเนี่ย อันนี่พอพอมาพอมาเป็นเรื่องพอมาในเรื่องการปกครองเนี่ยก็มีปัญหาอีกว่าระบบที่เป็นอยู่มันมันไม่เวิร์กอะเพราะว่าผมก็พูดว่าเนี่ยหนึ่งมันเป็นเพราะมันรวมศูนย์มากไปนะมันรวมศูนย์มากไปแล้วก็รวมศูนย์มาที่ตัวบุคคลเสียด้วยซ้ํานั่นจะเห็นได้ว่าเอ่า การปกครองเนี่ยนะไม่ว่าตั้งแต่เจา้าคณะตำบล่างถึงาาถึงคณะภาคคณะถึงผู้ปกครองหนนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องตัวบุคคลใช่ไมไม่มีการทำงานในเชิงกรรมการหรือเชิงเชิงเป็นหมู่คณะเลยนะมาเทนสมาคมก็เป็นจุดอ่อนอีกแบบหนึ่งนะคือว่าคือเป็นมาเทงก็ต่อเมื่อมาประชุมพอเลิกประชุมก็มาเถงก็ไม่มีมาเทศนสมาคมก็ไม่มี ใช่ไหถามว่าโคษก ม, มาเทนสมาคมทาหน้าที่อะไรก็ทาหน้าที่เฉพาะตอนตอนประชุมก็อาจจะมีโฆษกถ้ามีนะก็มาเพียงแค่บอกว่าประชุมอะไรใช่ไหมืมันม่เหมือนรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยนะแม้คุณจะไม่มีประชุมก็ยังมีตำแหน่งที่จะต้องบริหารใช่ไหม อันนี้เรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วนะเรื่องมาเทนสมาคมเนี้ยมันจุดอ่อนมียังไงบ้างแต่ว่าประเด็ดนสาคัญคือมันใ น, นเรื่องมันรวมศูนย์มากแล้วก็รวมศูนย์ที่ตัวบุคคลด้วยไม่ใช่รวมศูนย์มาในลักษณะของของของบูคคหนาหรือกรรมการซึ่งทำให้มันเป็นภาระมากมันโหดมากนะ พอมันพอพอพอพอปัญหาเกิพอเป็นอย่างนี้ก็ทําให้ดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพและพอไปไปรวมสุ่ที่ตัวบุคคลมันก็เปิดช่องให้มีการใช้เส้นสายคือมันก็ไม่โปร่งสายเพราะไม่โปร่งสายมันก็ทําให้เกิดมีการใช้เส้นสายหรือว่ามีการาวิ่งเต้นกันไดง่ายมันก็เกิดความ ไม่สุดจริตขึ้นมานี่ปัญหาของกรกตมีปัญหาอยู่สองอย่างหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพสองมันไม่ไม่เที่ยงธรรมไม่สุดจริตเปิดช่องเนีย่ยเปิดช่องให้เกิดการคอร์รัปชันกันได้ง่ายใช้เงินหรือไม่ก็เส้นสายเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในระบบทั้งโลก คันาคือหนึ่งทำไงให้มันมีประสิทธิภาพสองทำไงมันมีความบริสิทธิ์ยุติธรรมซึ่งนาว่าไปมันก็ต้องก็ต้องกระจำหน้าแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมไม่ไม่รวมศูนย์ยิ่งเป็นปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่กบับปกครองในระดับวัดแล้ววัดก็เจ้า ว, ว่ามีอำนาจผู้เดียวใช่มเาเราไม่ค่อยเห็นการ ร่วมปรึกษากันในหมู่เรียกว่ากรรมาการวัดมันก็นมีปัญหามันก็นมีปัญหาตั้งแต่ระดับวัดเป็นเป็นต้นมาเนี่ยเป็นขึ้นขึ้นไปเลยนะเรื่องการปกครองถ้าอาจารย์คิดว่ามันมัน มันพอยังมีข้อดีอยู่ไหมครับระบบเนี่ยรองระบบโครงสร้างการส่ ง, สงที่ที่ควรที่จะมีข้อดีที่จะ ส, งส่งเสริมให้มันมันอยู่ต่อไหมครัมันข้อดีก็มีถ้าเกิดได้คนดีใช่ไหมอย่างระบบนี้ก็อย่างพระมหาสมณราชสมเด็จพระมหาสมณเจา้าเนี่ยกลุ่มพยาวิทยาบรรลุท่านก็ใช้ใช้ระบบเนี่ยท่นขับเคลื่อนทำงานใช่ไหมแล้วก็ทาได้เยอะ แต่ว่าท่านหนึ่งท่านก็เป็นคนเก่งท่านเป็นคนดีสองท่านมีมือขวามือซ้ายมีพูดง่ายลุกมือเป็นทีมเป็นทีมเนี่ยมาช่วยเก่งๆทั้งนั้นนะฮะสมเด็จพระวรารัตเฮงสมเด็จผู้ทุกข์โศจารย์เจริญ น, นะเป็เหมือนอาจารย์นนนพายบนพายพายิบลทำดิดอะไรเงี้ยก็เก่งใช่ไหม มันอาจารย์กำจะบอกว่าคือโครงสร้างนี้มันดีแต่แต่เหมือนผมถ้าเขาจะไม่ผิดคือเหมืนมันมันเป็นโครงสร้างแบบแผนการถ้ามันได้คนดีเข้ามาเนี่ยมันก็เลยงานมันจะเดินไวเพราะว่าไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแล้วแล้วมันฉับไวดีแต่ว่ามันเหมาะสําหรับสังคมที่มันเหมาะสําหรับที่สองขอสังคมที่หรือโครงสร้างองค์องค์กรที่ไม่ซับซ้อนหรือว่าแต่ว่าคณะสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกับสงฆ์เมื่อหลาปีที่แล้ว มันซับซ้อนมากใช่ไหมถึงยังไงเนี่ยถึงแม้จะได้คนดีมาแน่นอนก็ต้องดีมันต้องดีกว่าที่เป็นอยู่แน่แต่ถามว่ามันจะมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่ามันมีการทำงานลักษณะที่เป็นการกระจายอนนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมหนึ่งทำงานเป็นทีมสอง มีการมีส่วนร่วมจากระดับระดับทุกระดับจนถึงระดับการูทนะก็คือว่าระดับพระทั่วๆไปอันนี้ผมก็เสนอในเรื่องการมีการปกการมีส่วนร่วมในการส่งตัวแทนของพระเนี่ยไปเป็นไปร่วมในสภาสงฆ์หรือตัวอย่างจากต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่คื อ, อยังไงมันต้องมีมั น, ม, นมันก็มันต้อง ม, มันต้องมีแต่ระดับตำบลแล้วนะ ระดับตำบลเนี่ยเรามีสภาสงฆ์แล้วสภาสงฆ์ในแบบสภาสตำบลเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ระดับอำเภอระดับจังหวัดเนี่ยเพื่อมาช่วยกันปรึกษาหารือเรื่องการคณะสงฆ์ทวรนี้เนี่ยสิ่งที่ทําก็คือว่านิมนต์พระมาแล้วก็แล้วก็บอกว่าจะให้ทําอะไรใช่หมแล้วพระก็ไม่ค่อยฟังกันพระก็เล่นไลน์กดเฟซบุ๊กคุยกันโต้ศัพท์กัน เป็นหรือเปล่าประชุมเวลาประชุมสงฆ์เนี่ยประชุมพระเนี่ยจังหวัดอำเภอเนี่ยโอ้เ oh, <s ick. S 1> สียงดังแต่ตลอดตะตลอดเนี่ยตะกอนี่เสียงดังแต่เดี๋ยวนี้เงียบแล้วเพราะก้มหน้าเล่นหลายของห้องเงียบเลยเนี่ย <_ X> ตะกอนโอ้โหเสียงดังแล้วประชุมคาราวาสนี้ไม่ไม่ไม่ดังเท่านานนี้นะ <_ X> พระเนี่ยถึงผมเคยไปประชุมพระระดับจังหวัดที่ที่ที่ททแกล้งขอเพราะว่าเจ้าท่าจังหวัดท่านอยู่แกล oh, ้ง้องโอ้เสียงเสียงแทรก ค, คุยตลอดเวลาคนบรรยายก็ปัญยายไปภาก็นั่งคุยกันโทรศัพท์มันแต่ว่าตอนหลังเริ่มเสียงเริ่มเงียบลงแล้วนนเละลายอาจารย์คับผมไปประชุมหลายครั้งมันไม่มีประเด็นที่สร้างสรรค์ที่จะพัฒนาศาสนาอะไรมีกันอยู่สองสามประเด็นประเด็นะไปีนี้ใครจะอสมศักษ์เสองอะไรตังสามผู้ใหญ่เขาว่ายังไง แประเด็นศินสมาธิปัญญาอะไรไม่ไมีไม่มีพูดเรื่องพวกอย่างนี้เลยก็จะเอานิยบาคณะสงฆ์ม า, า, มาพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมมีเหมือนกันนะบำบัญญายเรื่องวิธีการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยน ะ, ะผมประชุมประชุมจังหวัดเนี่ยก็จะมีนิมนต์เจ้าคณะภาครองคณะภาคมามาบรรยายเรื่องการปกครอ ง, รงคณะสงฆ์เรื่องต่างแล้วก็นิยบายคณะสงฆ์นะว่าหมู่บ้านศีลท่าเร่องตๆๆๆ่างคนก็มไม่ค่สนใจ วนันีมันมีคําถามอีกข้อต่อไปคือเรื่องการขาดประสิทธิภาพดูเหมือนอาจารย์จะพูดไปบ้างแล้วเมื่อกี้เหมือนกับว่าด้วยด้วยโครงสร้างท่าสงนี่มันรวมศูนย์แล้วประสิทธิภาพในการที่แก้ไขปัญหาพระที่ทําปิดพระวินัยอย่างหลวงปู่เน้นคำเลยเนี่ยมันมันมันยากแล้วโครงสร้างมันเอื้อให้เด็กใครเส้นใหญ่เงินใครที่ใหญ่ก็คืออยู่รอดหรือถ้าอยู่ไม่รอดก็ต้องที่ว่า พระสงฆ์ผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งปกปิดไม่ทันแล้วสื่อเข้ามาเล่นหนักเกินก็เลยกันมไม่ทันแล้ว น, นะ น, นี่อันนี้เหมือนจะจะพอจะตอบคําถามพวกต่ อ, อไปแล้วคือมันสองอย่างเนี่ยคือหนึ่งอย่างกรณีเดินคนําใช่ไหมมันอยู่ว่าเป็นเด็กใครใช่ครับหรื อ, อยันตราก็ได้สองทุกฝ่ายเล่นเตะลูกเนี่ยเตะลูกขึ้นบนใช่ไหมตําบลก็ให้อําเภออําเภอให้จังหวัด น, นี่นี่ราชการเลยแหละ <laughs> ใช่รับคือพระนเนี่ย ระบบมันทําให้พระเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยขึ้นอยู่ว่าข้างบนสั่งลงมางั้พอมีเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ไม่กล้าก็แตะเรื่องขึ้นไปใช่ไหมส่วนพระผู้ใหญ่ก็สั่งข้างล่างลงมาว่านี่เป็นเรื่องของตําบล น, นี่เรื่องอําเภอเรื่องจังหวัดใช่ไหอไม่จัดการเรื่องเนียนคําเนี่ยแต่ว่าข้างล่างบอกว่านี่เป็นเรื่องของข้างบนคือตระลมไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเนี่นะนี่มันคือไม่มีประสิทธิภาพ ยัไม่ต้องพูดถึงว่าได้ได้ได้ผลประโยชน์จากเนรคํามแค่ไหนหรือว่าเนรธรรมเป็นเด็กของใครนะอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้ไม่กล้าตัดสินใจนะข้างบนข้างบนก็ อ, อไล่ไล่เบี้ยให้ข้างล่างข้างล่างก็เตะลูกขึ้นข้างบนเมื่อเป็นนิทุกเมื่อเป็นนิซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยว่ากรณีต่างๆยันต์เนรธรรมอะไรเงี้ยยกเว้นว่า เป็นเรื่องของความผิดทางอาญาเช่นธรรนัฐพุทโธเงี้ยอันเนี้ยตำรวจเขาเข้ามาเลยไม่ต้องพาแล้วนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องพระวินัยเนี่ยเรื่องปรัชชิกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว น, นี่คือความไร้ประสิทธิภาพเนี่ยที่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวตัวโครงสร้างที่เราได้มาเนี่ย มันมันไม่ได้เกิดจากพระด้วยกันที่พยายามจะเสนอทางออกคือมันไม่ได้เจอกันเกิดจากการวิธีคิดของพระจริงๆที่ต้องการอย่างนี้มันเหมาะกับเรานะมันมันมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ไหมครับที่รัฐเองก็ต้องการที่จะคุมพระก็เลยคิดแบบวิธีของรัฐเพราะผมดูสังเกตเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่า24งสี่ห้าก็มีพรบ2 4งสก่อนหน้านั้นปฏิรูปรวมระบบพราชการ รองหนึ่งสองหนึ่งก็เป็นวิธีคิดของรัฐทั้งหมดเลยที่พยายามจะจริงๆมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงคือรัฐเนี่ยอยากจะควบคุมเนี่แต่ว่าการเปลี่ยนพรบเนี่ยมันเกิดจากการลุกฮือขึ้นมาของพระนะว่นมีคณะปฏิสังขรณ์นะจำได้ไหมคณะปฏิสังขรณเนี่ยผลักดันให้ให้ยกเลิกพรบส่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็มาเป็นพรบส่งสองสี่แปสี่นี่ใช่ไหมท่านคิดว่าโครงสร้างอย่างนั้นมันมันมันดีกว่าทั้ง เราสองหนึ่งสองหนึ่งทั้งดีกว่าสองห้าศูนย์ห้าวิธีการแก้ไขการบริหารมันดูจะเพราะว่าดีกว่านะดีกว่าแล้วก็แบ่งอำนาจกันชัดเจนใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีมากเพราะมันก็ยังมีปัญหาเช่นให้ให้รัฐอำนาจให้ให้รัฐาเช่นรัฐมนตรีกระทรวงสานายณก็ยังมีอำนาจอยู่แล้วก็การปกครองก็ยังเป็นระดับของระดับพวกอีลีดในหมู่พระคือพระที่มีสมณศักดิ์ก็เป็นสังกสภาเป็นสังคมนตรี ใช ม, มันไม่มีส่วนร่วมจากข้างล่างเสียได้ว่าตัวโครงสร้างนี้ไม่ได้อยู่นานาถ้าถ้าอยู่นานอาจจะลงตัวมากกว่านี้ก็ได้ก็เป็นไปได้แต่เนี่ยที่ผมพูดนะคือโครงสร้างนะรจริงๆเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณภาพของพระซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิ ด, กกดจากโครงสร้างคณะสงฆ์่ไที่ทําให้พระเป็นอย่างนี้ เช่นพระไม่กล้าตัดสินใจภาคีแรบราช ก, การอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะว่าไปก็โยงโยงกากาคณะสงฆ์ที่พระทำให้พระไม่มีคุณภาพพระไม่มีความรู้พระก็ไม่ก็พ่ายแพ้ต่อลาบส ก, การะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นงคุณภาพของพระซึ่งทำให้การปกครองคณะสงฆ์มันแย่ลงไปยิ่งกว่าเดิม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของพระที่เป็นอย่างนี้ก็ส่วนก็เกิดจาก ก, การปกครองคณะสงฆ์ด้วยที่เป็นอย่างนี้แลวเกิดจากการศึกษาคณะสงฆ์ทีนี้จะลองถามเรื่องสมณศักดิ์นะครับดูเหมือนว่าอาจารย์ก็ยังเห็นประโยชน์ของสมณศักดิ์และไม่ถึงขั้นว่าจะให้ยกเลิกใช่ไหมใช่นะคือ จริว่าคือมีก็ได้มีเสียหายใช่ไหมแต่ว่าทําไงอย่าให้มันอย่าให้มั น, อ ย, มนอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่สองต้องแยกระหว่างอันนี้ก็พูดกันมานานะะานะญาติหล่อนสมณศักดิ์การปกครองให้มันแยกกันคะเนะไม่ใช่ว่าพอจะทบทวรนี่มันติด ก, กันเลยไ ง, ไงใช่ไหมการปกครองกับสมณศักดิ์เนี่ยเช่นคุณต้องเป็นคุณต้องเป็น ต้องเป็นเจ้าท่าตำบลจ้องเป็นเจ้าอ่าจังหวัดนะฮะก็เหมือนมีคนพูดนกันนะครับว่าก็จะให้พระสมณศักดิ์น้อยไปปกครองพระที่มีสมณศักดิ์ใหญ่มากกว่าได้ไงแล้วการปกครองคนก็ต้องอาศัยยศยศสมณศักดิ์ที่ใหญ่กว่าเขาจึงจะฟังเราเป็นพระที่มีตาแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าท่าตำบลจริงแต่ว่า เราสมรสักน้อยกว่าจะไปพูดได้เจ้าคุณฟังก็คงไม่ฟังหรอกแต่ทรลยตใหญ่กว่าเขาพูดโอ้เกรงขามฟังฟังฟั ง, ฟ, งฟังมากกว่าอะไรนะครับซึ่งก็เลยเหมือนกับเทไปให้สมรสักว่าจะต้องให้ความสําคัญกับการปกครองมีมีส่วนในการาบังคับบัญชาได้ไ ด, ได้ได้ดีกว่าอันนี้อาจารย์มองอยเนะี่ยคือมันเป็นเรื่องความเคยชินมากกว่าออ กรานี้ถ้าเกิดว่าเราเราเราเราทำให้เราทำให้มันมีระบบอีกระบบหนึ่งขึ้นมาซ้อนกันใช่ไหม mm hmm. คือเอาเอาเอาดูทางโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีพวกอัมมาดมีพระยามีพระใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าพอมีการปกครองอีแบบหนึ่งขึ้นมา สามัญชนก็เป็นรัฐมนตรีได้หลังจากสองสี่เจ็ด้าใช่ไห ม, มก็ยังสามารถจะปกครองปกครองปกครองพระยาหลวงขุนได้คือทำให้ทำให้ทาให้ทาให้มันมีระบบระบบระบบเกียรติยศอีกระบบระบบหนึ่งขึ้นมาซ้อนกันซึ่ง เมื่อคุ้นกับระบบเมื่อทำไปนานๆเนี่ยระบบนี้มันเป็นที่ยอมรับมันก็จะถ้าคนยอมรับเนี่ยมันก็จะมีผลในทางการปกครองได้ตันนี้เหมือนเมั น, เมนจะมีปัญหาที่หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งของสมรศักดิ์ของการได้มาซึ่งสมรรศักดิ์ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันเอา เรื่องสมรสเนี่ยไปผูกกับการปกครองเกินอย่างเช่นมีการเหมือนที่อาจารย์เคยเขียนไว้ในในหนังสือนี่ว่าการได้การการขอสมร์เนี่ยมันขอจากการเริ่มจากการเป็นภาษาการิการคือผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นไปก่อนนี่ก็เริ่มนับตั้งแต่การให้ความสำคัญกับพระสายปกครองแล้วพระที่ไม่มีไม่ได้เป็นภาษาการการคือผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นเป็นขึ้นไปก็ขอไม่ได้ก็ทํางานเลยไปยกเว้นว่าพระรูปนั้นสนิทกับ เจ้าคงเจ้าคุณก็ไปขอฐานนาไปไปซื้อฐานามา hmm. ฐานาฉันทำอยู่ไม่กี่ปีสามปีก็ขอเจ้าคุณได้เลยเนะี่แต่ก็ทําให้เข้าหาคือคือขอก็ต้องมีผู้ช่วยเจ้าต้องเป็นผัสการการคือผู้ช่วยเจ้าไว้ด้ยถ้าเราไม่เป็นผู้ช่วยเราก็ต้องใช้วิธีเข้าหาพระผู้ใหญ่ที่เป็นสายปกครองอีกก็คือเหมือนย้อนไปสายปกครองมาเลยกลุ่มสายปกครองมาเลยก็ก็ก ก็หลักเกณฑ์ตรงนี้มันมันไปกาหนดอย่างนี้หมดเลยจริงๆไมใช่มันเกิดเป็นหาไงท่านนี้พอพอเป็นสมณศักดิ์สูงในใ น, นสุดก็ต้องมาเป็นหมหาเถรใช่ไหมอายุมากแล้วก็อายุมากแล้วเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบใชมสมณศักดิ์สูงก็โดยตําแหน่งอโดยสมณศักดิ์ก็มาเป็นหมหาเถรแต่ตัวเองเนี่ยชลาแล้วนะ ม, มันไม่ควรจะเข้ามารับภาระกาปกครองใช่ไหม อันนี้คือถ้าเราเอาเอาเอาสมณศักดิ์ไปปติการปกครองมันก็จะลงเอยแบบนี้คือได้ได้คนที่กับบกครองก็อยู่ในอำนาจของคนที่มีสมณศักดิ์สูงแต่ว่าอาจจะชะลาไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันต้องแก้สองอย่างก็คือว่าที่มาของสมณศักดิ์จะต้องโปร่งใสามากขึ้นแล้วก็จะต้องต้อง ให้ต้องไม่ขาดไม่หลุดลอยไปจากฐานของประชาชนหรือภาคสังคมใช่ไหม <P ew> s> <S เพราะว่าสมณศักดิ์สมัยก่อนเนี่ยมันก็มาจากการยกขึ้นมาของชาวบ้านยาคูแรงต่างน เ, เนี่ยสมเด็จอะไรงเงี้ยนะอันนี้มันต้องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของสง์หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐะเท่านั้นแต่ต้องมีต้องไม่ขาด ต้องยึดโยงกับภาคสังคมภาคประชาชนนี่คือที่มานะแล้วสองเนี่ย อ, อำนาจที่จะติดมากับสรรมบัศักดิ์เนี่ยผมว่าก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องต้องพิจารณาว่าควรจะมีอำนาจไหมแทนที่ถ้าถ้าเป็นแค่ระบบเกียรติยศนะเป็นระบบเกียรติยศก็จะเพียงพอ ดูเหมือนความพยายามของหลายท่านที่พยายามจะแก้ไขปนนะัญหาสงสัยว่าอาจารย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็อาจารย์นิติหรือแม้แต่ความพยายามของหลวงพ่อตาธาซึ่งอาจจะสื่อได้ไม่ไม่ตรงนักแต่ว่าการสื่อโดยการเหมือนกับปฏิรูปคําสอนในการสื่อฐานธรรมะผมก็เหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนท่านจะมีมีหัวปฏิรูปอยู่ในนี้แต่ดูเหมือนความพยายามเหล่านั้นเนี่ย ห ล, หลายปีมาหลายท่านเองนักชาการเก่งๆหลายท่านเองไม่สามารถทําให้คณะสงฆ์ปรับเปลี่ยนอะไรได้เลยหรือว่าความพยายามแบบนี้อาจจะใช่ไม่ได้เสร็จแล้วที่ที่จะเน้นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหรือว่าอาจจะต้องเริ่มต้นคิดใหม่ว่าเราควรจะให้คณะสงฆ์เข้มแข็งกันเองโดยที่รัฐเนี่ยไม่ต้องเข้าไปซัพพอร์ตอะไรมากเหมือนที่ฝ่ายฝ่ายวิจักตพูดหรือฝ่ายุราพธธุทธปศีสักเริ่มเริ่มพูดกันมากขึ้นเด็กวัยรุ่นของธรรมศาสตร์เริ่มเ่มเ คิดอย่างนี้มากขึ้นก็คือการแยกรัฐออกอย่างศาสนาแล้วให้ให้เขาทํากันเองเพราะทุกวันนี้ก็มีธรรมกายมีสันเทียโศคมีคณะแม้แต่สายป่าเองก็มีเคลื่อนไหวมีพุทธโทธจงกมรมาเลยปล่อยได้ไหมครับไม่ต้องไปคุมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดเหนื่อยเลยว่าโอ้ต้องแก้คณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็แก้ยากมหาเถรก็ไปธรรมกายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วมันปลอดอํานาจนี้ออกไหมครับแล้วก็ให้มันไปดู โดยดูยดยของมันเองรัฐไม่ต้องไปส่งเสริมไม่ต้องอะไรพิเศษเฉพาะ พ, พุทธแหละต่อไปมันแยกมันยากนะมันยากนะที่จะแยกระหว่างรัฐกับศาสนาแม้แต่แม้แต่ทั้งในยุโรปเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็ไม่เคยผมไม่เห็นมีรัฐไหนที่ประเทศไหนที่รัฐกับศาสนาแยกจากกันอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นแ ม, แม้กระทั่งประเทศเยอรมันนะซึ่งเรียกว่าคนลโมเดลกับ กับอังกฤษอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยพระราชินี้เนี่ยเป็นผู้ปกครองเชื่อชอบอังกฤษเลยใ ช, ใช่ไหมแต่ทนี้เยอรมันเนี่ยก็ไม่อย่างไม่ขนาดนั้นเพราะก็เป็นเขาเป็นสาธารณรัฐแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แยกศาสนาออกจากรัฐรัฐก็ยังอุปถรัรมภ์ศาสนาอยู่ใช่ไหมเก็บภาษีคนก็เอาภาษีเงินภาษีของคนนี่แหละไปอุปถัมภ์ศาสนาจัก เดนมาร์ Denmark, กสเกนนีเนียซึ่งเรารู้สึกโอ้โหมันมันเรียกว่าแทบจะแทบจะเหินห่างจากศาสนาแต่ที่จริงก็ในสกนีเนียรัฐก็ไม่ได้แยกศาสนานะมันยังมีมันยังมีรัฐก็ยังให้อุปถัรรมม์ศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะบางนิกายด้วยแต่มันไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่มีปัญหาในในรัฐที่ผมพูดมาเ น, นี่ยในยุโรปมันไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาความขัดแย้งระหว่งศาสนามันมีแต่ว่าคนเนี่ยศรัทธาศาสนาน้อยลงไอ้ความคิดว่าแยกแลิกกับศาสนาเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ทําปันจริงๆเนี่ยก็มีแค่คอมมิวนิสต์นะที่ยาลศาสตนะคอมมิวนิสต์เนี่ยแยกจริงๆก็คือว่าไม่ยุ่งเลยและเวลาแยกนะ แล้วเมื่อแยกสิ้นเชิงเมื่อ ไ, ไหร่นะก็จะมีสนามของการไปบีบคั้นคุกคามดี่ซ้ำตุรกีเนี่ยซึ่งบอกว่าทำให้เป็นรัฐเซคุลาร์นะเซคุลาร์สเตนะตุรกีนะ <c oughs> เอาเข้าจริงๆนะไปดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบอกเลยนะว่ารัฐเนี่ยก็จะต้องไปควบคุมาศาสนาในระดับหนึ่ง <c oughs> ควบคุมเรื่องการสอนว่าจะต้องไม่ให้สอนผิดไปจากแนวทางอะไร้ <c oughs> เขาก็ว่าไป แล้ น, นี่จริงๆแล้วเนี่ยผมเรีกขึ้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงรัฐที่แยกศาสนานะเอะถ้าเป็นรัฐประชาธิปไตยเลยเพราะในในสังคมเอาเอาส่วนใหญ่เนี่ยนะมันไม่มีหรอกที่แยกกันเด็กคาดมีแต่รัฐคอมมิวนิสต์นะที่แยกักที่เละที่รักศาสนาแยกจากกันเด็กคาดแต่ที่เหลือเนี่ยแม้ถึงในอเมริกาเนี่ยนะใช่ไหมในอเมริกานี่ถามว่าถามว่า ถามว่าเ ว, าเวลาเวลาเวลาเวลาสาบานตนเนี่ยประธานที่ต้องเอามือวางไว้ที่ไหนใช่เวลาขึ้นศาลเนี่ยพยานเนี่ยจะเอามือวางไว้ที่ไหนสาบานี่ะสาบานกับไบเบิลใช่ไหมใช่ไในบัตรในในแบงก์ก็อินกอดวิทรัสใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่า คนสอบประธานนิิเนีถ้าเกิด บ, บอกประกาศว่าไม่มีศาสนาเนี่ยถามว่าจะได้รับเลือกไห ม, มทุกคนก็ต้องประกาศว่าตัวเองมีศาสนาสมัยก่อนนี่เป็นคาทอลิกก็ไม่ได้เลยเคนเนดี mm hmm. เป็นคนแรกที่เป็นประธา น, นาธิบดีคาทอลิก mm hmm. ถ้าประกาศว่าเป็นอิสลามเนี่ยได้เลือกไหม mm hmm. ใช่ไหมนั้นมันมันลกศาสนาเนี่ยเพราะว่า อญญนยานที่อเมริกาตอนนี้ที่บอ ก, กบว่ารัตกรกสานหลายแยกกันใช่ไหมโอ้โหแต่ประกาศว่าใครที่ประกาศว่าสาบสูญการทำแท้งเนี่ยนะริพับลิกันถ้าสาบสูญการทำแท้งนนะนะสวยโอกาสที่จะไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสถานีมีมากก็เหมือนกับรู้รว่าจริงๆแล้วมันปัญหามั น, มนอยู่ที่อำนาจรัฐที่มันมาก มา ก, มากาเกินไปใช่แต่แต่ความพยายามของกลุ่มคนอย่างวิจักหรือสุรพจฒน์พีศัตด์เองเนี้ยถ้าสมมุติพยายามผลักดันแล้วมันมันอาจจะไม่ถึงขั้นแยกโดยชัดเจนอย่างที่อาจารย์ว่าแต่อาจาัน ใ, นใกล้ๆ ก, กับตุรกีหรือประเทศที่อาจารย์ไล่มาอังกฤษอย่างเงี้ยมันมันท่านท่านในบริบทขมพูดเองมันมันจะทาให้พูดเนี้ยแย่กว่าเดิมเนี้ยก็ไม่แน่นะ ไม่แน่เดี๋ยวเพรา ะ, ราะว่ากลายเป็นขบวนการคึกพุทธก็จะกลายเป็นพิษุนีมาอ่อท่านนี้โศกมามันอยู่ที่ใครชั้นเชิงเหนือกว่าทักษะมากกว่ามีวิธีในการดึงคนมากกว่ามันไม่มีแกนกลางอย่างอย่างนี้และไม่มีอํานาจมหาเถรไม่หล่กเพราะว่าที่อํานาจมหาเถร ท, ทําก็มันก็เป็นการปกปักศาสนาแบบศาสนาโดยรัฐนะ่ะพุทธศาสนาโดยรัฐหรือพุทธศาสนาที่รัฐสนับสนุน ซ, ซึ่งมันก็มันก็ มันก็คับแคบอยู่เหมือนกันเพราะว่าผไม่เห็นด้วยต้องให้รัฐเนี่ยมีอำนาจรัฐกับศาสนาเนี่ยกับพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีมีระยะห่างจากกันมากขึ้นและจะต้องไม่มีจะต้องเพิ่มให้ม า, มากกว่า น, นี้เช่นผลที่ไม่เห็นด้วยกับพรบอุปถมัมภุมครองศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าจะไปบรรจุ อในปพัตย์ในในในรัฐธรรมนูญว่าพุทธศาสนาเปรนศาธนาประจชาติคือไม่ต้องทําให้มันมากกว่านี้แล้วก็ทําให้มันน้อยลงทำให้ทําให้วางระยะห่างกันให้มากขึ้นนี่ผมเห็นด้วยแต่จะให้แยกกันเลยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าคือคนที่บอกให้แยกแยกแยกเนี่ยไม่ค่อยมีใครไ้ศึกษานะว่าไอ้ทั่วโลกนี่ก็ทํามันยังไงไม่แต่วิจารณาเองนะครับ เห็นมีคลิปที่อาจารย์เคยเลเ่นเปลี่ยนคือข้อเพียามบอกว่าถารัฐกยกศาสนาก็จะส่งเสริมประชาธิปไตย mm hmm. ผมบอกว่าเฮ้ยรัฐประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยเขาไม่แยกศาสนาเลยนะอังกฤษเยอรมันสแกนดิเนเวียนี่เขาไม่จริงๆก็มีแท้เด็กมีแท้คอมมิวนิสต์ที่แยกรัฐศาสนากันอย่างเด็กขาดและแยกออกจากศาสนาเลยนะที่เรื่องเซคลาสาเตนนะนนะนนะมีสองแบงแบเซคลาสเตน Secular State แบบที่เรียกว่ายังเอือ้อเฟื้อศาสนาซึ่งอาจจะรวมไปถึงการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือด้วยสอง c ซ l a r State แบบต่อต้านศาสนาอันเนี้ยคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นมากเลยแล้วก็ตุรกีสมัยหนึ่งก็เป็น คือบางทีเราเราคิดเอาเนะแต่เราไม่ได้วางเราไม่ได้ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงอะใช่ไหมดังต้องศึกษากว้างกว้างหน่อยเรื่องาศาสนาเนี่ยศึกษาเรื่องอย่างอย่างคือความสัมพันธ์ระหว่างลักศาสาศนานควรจะมีแล้วว่าอย่าให้มันอย่าให้มันมากแล้วก็ไม่ควรแล้วคือต้องยึดโยงอยู่กับ สังคมโซภาคประชาชนถ้าถ้าจะไม่ผิดในในกรสมัยการที่หา้ามันจะเห็นภาพของสมเด็จโตถือตะเกียงเข้าไปในวังและสามารถพูดกับลอสีได้ว่ามืดจังเลยแล้วก็ภาพของถ้าจะไม่ผิดสมเด็จพระวรรณรักหรือเปล่าที่ทูลให้สมเด็จพระรนเรศวรบอกว่าอย่าประหารแม่ทัพในกองเลยคืออํานาจของระหว่างพระกับเจ้านี่มันมืนถ่วงดุลกันได้แล้วกษัตริย์ก็พร้อมที่จะฟังแล้วก็ ไม่กล้าทาอะไรที่จะพระที่กล้ามาตักเตือนอย่างนี้มันมันมันถ่วงงแต่พอมาหลังจากรลหะปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพระเองก็ไม่ไม่เคยขยับเมือม่อเมื่อเปลี่ยนจากมาเป็นรัฐรัฐสมนานบูรมาเป็นรัฐรัฐปัจจุบันเองรัฐรัช า, ชาตนนิคือประชาธิปไตยอะไรเนี้ยก็ดูเหมือนว่าเหมือนเหมือนการมีประชาธิปไตยเหมือนจะช่วยให้พระต่างหาที่จะมันถ่วงดุลให้ได้เพราะมันประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่กลับเหมือนกับอํานาจของรัฐเนี่ยมันมัน มันจะมากขึ้นมากกว่าเดิมนี้ซึ่งพระเองก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกกับกับรัฐเองหรือกับสถาบัานเองด้วยถึงไม่จะรู้ว่าอะไรเป็นไงอันนี้ก็เพราะว่าก็เป็นผลเป็นความเป็นผลมาแต่ของพระไอพาราโบสงที่ว่าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยมีทิทธิผลมากแล้วก็เดือพ ตั้งแต่สมัยพระมาะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมาเยพระมาะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพยายามทาให้ให้ให้สงกับรัตนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะซึ่งก็ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคณะสงฆ์ไปพร้อมๆกันแต่ว่าเมื่อสิ้นพระมาะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะคณะสงฆ์ก็ก็เรียกว่าผู้นํนาคณะสงฆ์ ก็เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัดมากขึ้นนะอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวตัวระบบตัวระบบตัวโครงสร้างมันทําให้เกิดเช่นนั้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของแบบแผนที่พระมหาสมัมณเจ้าได้วางเอาไว้ได้ทำเอาไว้เนนี่ยนะซึ่งท่านได้ทําไว้ตั้งแต่สมัยก่อนจะเป็นสังฆราชแล้วก่อนจะเป็นพระมหาสมณเจ้าแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพระยังเป็นพระที่ยังหนุนม่นมๆอยู่ ที่อยู่วัดประวันอันนี้ก็เรียกว่ามันก็สร้างสร้างบัตรสร้างสร้างนอมนะสร้างนอมหรือสร้างแบบแผนที่ทําให้พระก็ก็เลยทําอย่างนั้นกันสืบมามก็ทีนี้ก็จะเป็นส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อกี้อาจารย์ก็พอพอพูดไปบ้างแล้วว่าเก็ถ้าพูดถึงคณะสงฆ์ในอนาคต มันควรจะหรือปัจจุบันเองเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงก็จะอํานาจมีการมีส่วนร่วมจากาทุกภาคส่วนรัฐประชาชนพระเองในวัดด้วยจริงๆในในคำถามนี้อบถามเยอะนะครับอาให้นําเสนอคอนเซป ต, ต์นโยบายรวมทั้งรูปแบบโมเดลในการปฏิรูปคณะสงฆ์แล้วก็พระใหญ่ท่านจึงนําเสนอในการปฏิรูปนั้นแต่ว่าผมเคยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเหมือนอาจารย์ก็เสนอตรงนี้อยูย่แล้วใล้ๆกับว่าพูดถึงประวั ส4 8 4ี่ปสี่พยายามจะปรับจากนั้นมาแล้วก็มีมีการใช้วิธีคิดลักษณะเนี่ยปรับปรับบ้างในในเชิงเทคนิคแล้วก็เอาไปใช้อาจารย์ก็ยังยังยังใช้แนวแนวในทางแก้ไขอย่างนี้อยู่นะครับก็เขียนไปเยอะแล้วเล่มนี้ก็มีแล้วก็ในสัมภาษณ์ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ก็พูดถึงเยอะเรื่องการปฏิรูปสื่อในกรณีธรรมกายก็พูดว่าควรต้องปฏิรูปอะไรบ้างไปสัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวีสัมภาษณ์อาจารย์สอพยายามฟังจากทัศนาหลายๆกลุ่มแต่สิ่งที่ผมผมรู้สึกก็คือคืองานของอาจารย์ผมผมว่า ม, มันอธิบายได้ดีมากเลยแต่แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเี่ททำไมมันมันส่งไปไม่ถึงให้พผู้ใหญ่ได้ได้ได้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์กำลังสื่อว่ามันมีอะไรที่ที่ควรจะเปลี่ยนที่ที่มากว่ะ รู้สึกว่าโอ้ชั้นนี่มากระทบต่อผลประโยชน์ชั้นหรือเปล่าแล้วพยายามที่จะมาอะไรชั้นหรือเปล่าท่านไม่ชั้นเสียเสียตําแหน่งทางการปกครองมีกระทบกันคือมันมีช่องทางอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันท่านก็อยู่ต่อไปได้ในท่านปรับเราเราอยู่ร่วมกันได้มันมันเหมือนมัมีช่องว่างการสื่อสารระหว่างกันตั้งตั้งตั้งแต่ ฐานขอ ง, งการเข้ามาบวชอย่างอาจารย์เป็นเป็นนักวิชาการนักกิจกรรมมาก่อนก็จะมีฐานคิดแบบนี้พระที่อยู่ในระบบเรียนบาลีนักธรรมมาก็อาจจะอย่างผมนี่คิดไม่ออกเลยนะครับถ้าคือผมอาจจะไม่ได้มเรียนแต่ว่าผมอยู่ในระบบมาผมผมคิดไม่ออกเรียนมเจ้ลอกก็ยังคิดไม่ออกครับจนมาเรียนธรรมศาสตร์โดอนอาจารย์ว่าดาอะไรเนี่ยแล้วก็ อ, าอ่านหนังสืออื่นมากขึ้นมันเริ่มเรารู้สึกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นและเริ่มเริ่มเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สื่อแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมคิดว่าพระอีกหลายรูปที่เคย อ, อยู่ในระบบสิ่งที่อาจารย์พูด อาจารย์พูดเรื่องอะไรทำไมทำไมวิจารณ์จังอะไรเนี้ยก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรเนี้ยเช้ามายมก็เอาข้าวกับข้าวมาถวายกับข้าวกา บ, บนโต๊ะไม่เห็นมีปัญหาพูดหนาตรงไหเนเลยก็แค่สโสเภณีข้างวัดเขาเข า, เขาขายตัวก็ไม่มีเงินมันก็เป็นเรื่องบาปบุญของเขาไม่ไม่เห็นว่าพระจะต้องไปร่วมกับโยมทาไม ก, ก็อยู่อย่างนี้มานาน ม, มันเหมือนขอผมพยายามจะรู้รู้สึกว่าอย่างนี้มันมันเหมือน มันมันจูนก็นไม่ติดระหว่างฝั่งพระป่าเองผมก็ไม่ทราบว่าเหมือนพระป่าเองก็จะรู้สึกว่าอพระในระบบเองนี่ก็อืเรียนบาลีเรียนนักธรรมด้วยตแต่เต้าไต่เต้าไปสู่ผลอ่าเจ้าคุณมีสํานักศั ก, กดิ์ปกครองดูดูเหมันจะมีท่าทีอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ทุกทุกท่านนะที่คุยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นช่องว่างแ ต, แต่ภาพที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งไม่ไม่เหมือนกับคาราวาส เวลาเขาจะปฏิรูปของเรวาว่าโอเ้เขามีฝั่งนู้นฝั่งนี้พยายามจะคุยมาเอาเอาอกมาหลายๆฝั่งม า, มาคุยกันถึงแม้ว่าจะอาจจะสร้างภาพก็ตามต้องเห็นนัทวุฒิกับอมพิสิทธิ์มาคุยกันนับที่ผ่านมาแต่ภาพของชาวพุทธเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นมา น, นั่งวงกันจากอันนี้านอาจารย์มีประสองค์อยากมหาวิทยาสมมาคมโอเคไม่มาไม่มาเพราะรักษาปอมทรงเลขามาฟังก็ได้หรือพุทแบบมิจักมาคุยกัน แล้วก็มามาเขาเรียกอะไรมามาทำํำมาเหมือนที่ไม่โดนทํามี ม, มีมีอิสชูมีประเด็นอะไรก็เขียนกันมาแล้วก็ค่อยไปยก็อยนัดมาคุยบ่อยทำมาอย่างนี้อันเนี้ยผมว่าอาจจะอดุดอุดช่องว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุดช่องว่างแล้วก็ทําให้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สื่อมากขึ้นฝั่งนู้ก็จะเข้าใจฝั่งนี้ก็จะเข้าใจผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะมีความเป็นไปได้ไหมแต่แต่ผมก็เข้าใจว่าไฟ าสายปฏิบัติเองเนี่ยไ ม, ไม่ได้อะไรมากนะคือคือน้อมน้อมผ ม, ผมเองแม้จะอยู่ในระบบเรียนบวชมาตั้งแต่นเนียนแล้วเข้าสู่ระบบกรุงเทพบวชเจ้าวัดเจ้าต้าอําเภออะไรมาซึ่งก็มาได้อยู่สายปฏิบัติเลยนะแต่ช่วงหลังโมมาเรียนมรจรรแล้วไปปฏิบัติกรรมาฐานมาธรรมศาสตร์มาอ่านงานท่านโวมาอ่านท่านก็เริ่มที่จะสนใจสายปฏิบัติก็เลยเข้ามาคุยสายปฏิบัติแต่แต่นั้น มันมันมาจากการเรียนรู้ของผมเองนะครับ ท, ที่อ่านเองศึ่อาเองแต่ค้าสงฆ์ไม่ได้บอกว่าให้ผมทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้คือถ้าไปหวังคนไกลข้าสงฆ์ให้ผมคิดได้เหมือนผมเนี่ยคงคงไม่ใช่แต่นีเน่เป็นสิ่งที่ผมอยากรู้ว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นมากกว่าแต่แต่ผมผมผมกังวลว่าถ้าพระในคณาสงฆ์หลายๆรูปที่เป็นเหมือนผมที่เมื่อก่อนผมคิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเขาได้คิดได้เหมือนผมเนี่ยเขาจะได้เข้าใจอาจารย์แล้วก็กลายเป็นพลังของพระรุ่นใหม่ที่จะ ขยับเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะอย ผ, มผมไม่ต้พูดเยอะคอนี้ก็เป็นระบบของพระนะครับวัฒนธรรมของพระที่ในระหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโลกภายนอกครั บ, รบก็มีแต่คนข้างนอกมาหาพระแล้วก็ยอมรับเอาวัฒนธรรมของพระข้มาเช่นญาติโยมที่มาวัดเรก็จะพอมาอยู่วัดก็ได้ที่พนจากทางวัดจากพระไป แต่ว่าการที่ไปไปเปิดตัวรับรู้โลกภายนอกเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาคิดยังไงกันเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นพระสายปฏิบัติเองใช่ไหมไแ ม, ม้กระทั่งพระในเมืองใช่ใช่ใช่ใชพระปฏิบัติก็เหมือนกันนะ <S <S แล้วพระปฏิบัติพระในเมืองก็ไม่ได้สัมพันธ์กันได้ซ้ําก็เลยเกิดอคติต่อกันช่องว่างมันเกิดขึ้นเมื่อมีช่องว่างก็จะต้องเกิดอคติตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องไปออกไปสัมพันธ์กัน สมัยนี้มันต้องไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นที่หลากหลายสมัยก่อนพระเนี่ยกับญาติโยงก็ใกล้ชิด ก, กันเพราะว่าโยงก็เข้าหาวัดแล้วก็มาพูดคุยสนทนากันใช่แล้วก็บางทีก็ท้าทายกันได้ซ้ำอย่างสมพันธ์กลางกับกับอะไรในไยแดงอ่ะที่ ทะเะบอกที่เถียงกันนะอันนั้นก็เป็นภาพของของพระกับคารวะสมัยก่อนคือว่าก็มีการมีการถกเถียงกันแต่ว่าสมัยพอเลหลังเนี่ยหลังจากที่วัดลดการเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยคนก็เข้าวัดน้อยลงพระนี่ก็ก็อยู่กันแต่ในหมู่พระด้วยกัน แล้วก็เลยไม่ได้คุยกันนอกจากเรื่องสัมันาศคุยกันเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เจอกับญาติโยมอะไรต่างเนี้ยโยเป็นพระวัดในชนําบนทก็ยังใกล้ชิดกับญาติโยมก็มีการพูดคุยก็ยังติดตามความเป็นไปของญาติโยมแต่สมัยนี้โลก ม, มันกว้างกว่าหมู่บ้านแล้วนะมันมันต้องเปิดตัวไปรับรู้ถึงจะสื่อสารกันได้ อันนี้ก็เป็นเป็นความ ส, มสําเร็จของทิเบตนะพระทิเบตแล้วก็เก็บตัวอย่างนี้แนะหละเก็บตัวอยู่แต่ในประเทศที่เหมือนกับหลังคาโลกแต่พอต้องรีภัยออกมาต้องไปเจอผู้คนต่างๆพระทิเบตเรียนรู้ได้เร็วมากเลยเพราะว่าต้องออกไฟใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมอีกสังคมหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ต้องพูดภาษาฝรัง่งต้องเรียนภาษาฝรัง่งก็เข้าใจพวกฝรั่งมากขึ้นแต่ว่าถ้านยังมีของท่านอยู่ พระฉันพระทิเบตเนี่ยจึงสามารถที่จะเรียกว่าครองใจผู้คนในในยุโรปในอเมริกามากเพราะว่าสามารถจะสื่อให้เขารู้เรื่องแล้วก็ช่วยเขามองคิดอะไรนอกกรอบเดิมส่วนพระรทิเบตท่านไปเจอโลกภายนอกนะท่านก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะก็เลยกว้างผมตา ม, ตามท่านอาจารย์ ท่านไปด้วยวันนั้นที่ธรรมศาสตร์ที่อาจารย์คุยกบท่านที่มาจากเฟียนะครับแล้วก็ผมก็ติดตามพระธิดเไอ้นุ่มๆหลายท่านก็โอ้ไปเรียนออกฟอร์ดเฟรนดิดแล้วโอ้อหลังอะไรก็มาชื่นชอบแต่ว่าอคติที่ที่เรามองจากคณะสงฆ์กระแสหลักก็คือมหายานที่เบตไม่ใช่เถรวาทไม่ใช่ของแท้พวกนี้ไปทาอะไรก็แต่ว่าลืมถามกลับมาที่ตัวเอง ตัวเองก็หลุดลุยเยอะแยะเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็เผื่อเหลือเอาจริงๆผมไม่แน่ใจว่าที่เบตอาจจะแข่งกว่าเราในถ้าถ้ามองไปแน่พฤติกรรม น, นะไม่ได้ไม่ได้ติดความเป็นเทระวะเนี่ยโหเขาก็อาจจะแข่งกว่าเราก็ได้นะแต่ไม่ไ ม, ไม่คยคิดกันเ <c oughs> อราะว่าอาจจะเขาเขาจะหย่อนในบางเรื่องแต่ว่าในบางเรื่องก็เคร่งแล้วก็เข้มด้วยนะเ <c oughs> ข้เมในเพราะเขาเรียนเยอะเรียนจริงๆแล้วก็ใในแง่ของ ความรู้ทางทางธรรมเขาก็สูงนะในแบบของเขานะแล้วพวกนีก้ปฏิบัติกับปฏิบัติเข้มนะมก็ดูจากวันนั้นแล้วเนี่ยกระแสของของเด็กวัยรุ่นเนี่ยหรือคนรุ่นใหม่เองเนี่ก็จะโน้มเอียงไปที่เบดเยอะมากแล้วดูเหมือนมันไม่ต้องพิธีกรรมอะไรมากด้วยใช่ั้ยครับย่างจพิธีกรรมเยอะมากเยอะเยอะมาก โอ้ยกว่าเ ร, เรื่องโพวางแหลงซับซ้อนมากเป็นแต่ ว, ว่าเขาไมีวิธีการสื่อสารที่ทําให้มันเห็นให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆอย่างลามาเยเชนเนี่ยนีย่ครองใจพวกฝรั่งอเมริกันเมื่อสี่สิบกับห้าสิบปีก่อนได้มากเลยชวนให้คนเหล่านี้มาทําสมาธิให้เห็นว่าสมาธิผันนัดเป็นเยังไงถามว่าเนี่หายใจเป็นมไห อ, อหายใจเป็นใช่ไหม แล้วใจนี่มีเมตตากรุณาไหมถ้ามีสองอย่างนี่ก็ภาวนาได้แนละ้วลมหายใจนี่ช่วยทำให้เราเนี่ย <c oughs> เป็นหนึ่งหนึ่งกับตัวเองส่วนเมตตากรุณาก็ทำให้เรามีความสมัครรับดื้อกับผู้อื่นภาวนามีแค่สองอย่างนี้แหละคืออยู่กับตัวเองก็เป็นสุขอยู่กับผู้อื่นก็ราบรื่นเนี่ยแกแค่นี้แหละก็ทำให้ฝรั่งนี่ทามาสนใจภาวนากัน ง่ายไหมั้เข้าใจง่ายากก <laughs> ็จริงจริงหมดคำถามนะครับที่จะคุยกันแบบสัมภาษณ์จริงจริงจังครับทีนี้ก็เกิดจะคุยเรื่องอื่นแล้วอาจารย์คือก็ทำการบ้านมาประมาณเท่านี้ครับจริงๆต้องทำเสร็จส่งเมื่อไหร่เนี่ยก็จริงๆผมกำหนดว่าจะให้จบภายในปีนี้คนระับคือ ยังไม่มั่นใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะลาศิกาเพราะว่าอยู่ต่อก็ก็คือความรู้ตัวเองก็เรียนมาเยอะแต่ว่าก็ไม่แม่ใจว่าถ้าอยู่ในคณะสงฆ์เราจะใช้อะไรในม้างคือคือจะใช้ในสิ่งตัวเองเรียนมาแล้วเมื่อเมื่อเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วเราจะพูดยังไงมันก็พูดไม่ได้พูดก็อืดอัดแล้วก็อยู่ยากด้วย ก็ทำที่ทำเท่าที่ทำได้สิมันมีอะไรให้ทำได้เยอะเลยในคณะสงฆ์อยู่ที่ว่ามีทีไหมนะมีผู้สนับสนุนไหมยังกังวลเรื่องพ่อเรื่องแม่ที่ทฝากใครไม่ได้ยังเป<ร>็นคนท<ว>ี<ล>่ไหนชุมพรอำเภอหลังสวนครับแต่ย่าเป็นจีนก็เลยขาวนิดนึงแล้วยมพ่อยมแม่เป็นไงยมแม่นี่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเดี๋ยวต้องพาเข้า ก่านโรมาบวันที่12เนี่ยอายุเท่าไหร่ห้าสิบเจดห้เป็นเลิกเป็นร้านเนี่ยกราบเอกรำนานเอกรมงานกรรมกรมันมาหนักเกินนะก็เลยเป็นแล้วอย่างก็อยู่กับพ่อก็มีการทะเลาะวิวาทแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันดีมากการแก้ไขปัญหาของท่านก็คือให้ผมมาบวชแต่เด็กเพื่อลดปัญหารายจ่ายของน้องที่จะเรียนต่อบวชที่ชุมพรตลอดเลยครับ9ปีที่นั่นตั้งแต่อายุสิปีครับ แต่ผมไม่ได้เรียนมาเรียนนะตอดเวลาที่ผมเรียนก็คืออยากจะเรียนเพื่อลดภาระทางบ้านแล้วก็ศึกไปช่วยแม่แต่ถึงเวลา ย, ยังไม่ได้ศึกทุกทีก็อยู่มาถึงนนั้สคญวกันังงเเเหห้้้นนนไกไม่ไ่่ <K> ่ดดแตกก็็คคะีีขออาาาจจรรย์ททุโ พระเนน ท, ที่ที่พ่อแม่มีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องลําบากใจในการทํางานเผยแผ่มากเพราะว่าน่าจะสบายใจกว่าที่จะต้องดูแลตัวเองแต่เย่าว่าอะไรคือขนาดลงตาในวัดก็ยังถูกทอดทิ้งนะครับพ่อแม่ของพระเนรในวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านรับผิดชอบเองเจ้าวาดจะมาดูแลไงไม่ใช่เรื่องของท่านแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าวาดกับพระเนรในวัดก็ห่างกันขนาดนั้นแนละ้วมันก็เลยแบบอยู่กันแบบ ตัวใครตัวมั น, ม น, นเหมือนกับคารวาสแต่ว่า <Yeah. S 1> มันแค่ผมผ้าเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจคือตัวใครตัวมันไม่แน่แล้วพูดก็ลําบากพูดก็ยาก ม, มันอึดอัด mm hmm. ก็เลยไม่เห็นทางก็แต่ก็รู้สึกโอ้เราเรียนมาขนาดนี้เราเป็นพระเราเรียนกขนาดนี้เราหน่าจะไปสอบราชการแล้วก็สวัสดิการเนี่ยจะได้ดูแลพ่อแม่ส่วนความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อหลักธรรมอะไรเนี่ย ผมมีมากกว่าเดิมตนตอนเป็นเนรเป็นพระแรกๆ แ, แล้วมีมากแล้วไม่เปลี่ยนาศาสนาะน่มีมากถึงมากเลยครับแต่เขาแค่ว่าเออมันไม่มีใครดูแลพ่อแม่แล้วก็การศึกษาไปสอบรักการได้ก็ ก, ก็ก็น่าจะมีสวัสดิการดูแลพ่อแม่ได้ผมรู้ว่ามันลำบากรู้ว่ามันไม่ไม่ยากรู้ว่ามันไม่อบ อ, อุ่นเหมือนพระที่อยู่กันอย่างนี้รู้ว่าต้องดิ้นรนรู้ว่าการมันทุกข์รู้แต่ว่า มันฝากใครไม่ได้ครับและออย่างตัวเองก็ยังไม่มั่นคงในในความรู้สึกของคือกิเลสอะไรในในวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยมันมันยังต้องฝึกเยอะถ้าจะอยู่ก็คงต้องหลีกหาวัดป่าอยู่แล้วก็ต้องจริงจริงจังๆแล้วก็ต้องอยู่ใกล้พ่อแม่มันมันมันพ่วงมาตลอดอ hmm. ก็เลยรู้สึกลองลองคิดดูอีกทีครับคิดดูแต่ก็ ร, รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้หบวชมายาวนานแล้วก็ ได้เรียนรู้ทั้งฝั่งนู้ฟฝั่งนี้หลายหล <ừ> ที่หลายๆทางก็ก่อนที่จะศึกก็ให้หาเวลาถามใจตัวเองหาเวลา <c oughs> สันโดดให้หาช่วงหาสถานที่สันโดษก็ับมาดูใจตัวเองถามใจตัวเองเพราะว่าก็บวชมานานแล้วก็ ไอ้การศึกเนี่ยมันง่ายแต่บทหมายมันคงยากนะ mm hmm. ก็ถ้าถามใจเกินจริงๆถ้าเป็นพระนี่ก็ก็ยังพอจะทำอะไรได้บ้างกับยมพ่อยมแม่แต่ว่ามันก็แล้วแต่บทบาท น, นะแล้วก็ mm hmm. เงื่อนไขเฉพาะเฉพาะกรณีแต่ถ้าศึกไปแล้วก็ถามา่าทำประโยชน์อะไรได้ก็ก็เป็นเรื่องดี ต้องต่อสู้สักพักหนึ่งเพราะว่าต้องเหมือนต้องเริ่มเริ่มต้นใหม่หมดเลยคเพราะว่าเราเราไม่ได้มาจากไทาก็อยู่ในภาคเหนือนาเท่าไหร่นะก็ตั้งแต่อายุสิบอ็ดครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วครับนับนับเข้านับเข้ายี่สิบเจ็ดครับงานวิจัยนี้ก็คือเป็นงานจริงเลยงานวิจัยนี้ก็เหมือนกับว่าขอกราบถวายไว้เท่าที่ผมพอจะทําได้เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ผมมีโอกาสได้เรียน ธรรมศาสตร์แต่ผมไม่ได้บวชก็คงไม่ได้เรียนเพราะว่ามันลําบากบ้านลําบากอ ย, ากอย่างจนเนี่ยที่เราได้เรียนหนังสือจนปโทจบปโทมต ร, ร, รได้เรียนรามคำแหงได้เรียนประกาศนีบัตรได้รู้จากคนตรงนี้เพราะว่า บ, บุญบา ร, รมีของผ้าเหลืองก็เลยรู้สึกเป็นหนี้มงคลก็เอยากตอบแทนเท่าที่ผมพอทําอะไรได้เนี่ยอันนในสองปริญญาเอะอันนี้เป็นใบที่สองของปอโทครับแต่ว่าปตรสองใบแล้วครับของรามกับนะของมตร แล้วพอโทอีกที่หนึงที่ไหนที่มุนตราห้องเหรอครับได้สามแล้วโอ้โหยันเรียนจริงเลยเนี่ยนะครับเียบัตรเจ็ดแปดใบเลนะทำไมถึงยันเรียนเนี่ยก็เห็นผมเรียนตีที่เดียวจบผมก็หมดแรงแล้วคือแบบอยากรู้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างมันอาจจะเป็นมันมันเป็นความรู้สึกขนาดเป็นผ้าอย่างติดเลยคือจะช่วยพ่อแม่ยังไงออก็ต้องเรียนสิมีเรื่องการศึกษาเท่านั้นแหละที่จะช่วยความจนได้ แต่ไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นสันเชื้อชาติจีนอะไรงที่มันจะขับให้เราต้องหาทางออกต้องขยันต้องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โค้ธมก็เปิดโอกาสให้ไปเรียนฟรีสังสันติวิธีนะอะไรักเรียนฟรีผมก็ไปเลยแค่เสียค่ารถอย่างเดียวเป็ น, เ, นเป็นประกาศนีบัตรปรกาียบัต ร, รมีประกาศนบัตรแนวคิดและสันแนวคิดและ ในคิดสิทธิมนชนและสันติสันติวิธีครับแล้วก็การจัดการความขัดแย้งการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งการการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมโอยกี่ธรรมาคถึงี่เดินก็แค่สีห้าวันเองครับเะครัอ๋อโอเคแต่ก็คือบางคอร์สเขาก็เชิญคนดังๆมาเนี่ยือบางเขาก็บันก่อนพาไปฟังหนูริ่งห้องเรียนประชาธิปไตยไปฟัง โยมก็มีพระอยู่รูปเดียวที่ไปนั่งมองอยู่ครับคือผมรุ่ปเดียวคือผมจําอยู่อย่างเนี้ตอนนี้ก็คือก็คงในรุ่นที่บวชกันมาผมน่าจะน่าจะบ้าเรียนที่สุดแต่ไม่ได้ขยันแบบเหมือนเจ้าคุณพยุทธ์ผมคงไม่สู้ท่านได้ท่านแน่นอนกว่าแต่ผมแค่อยากรู้แล้วก็อ่านใครเสนอให้ไปเรียนก็ไปแต่น่าจะเรียนเยอะมากกว่ารุ่นเดียวกันที่บวชเดินมาคนที่บวชเดินมาตั้งแต่ไปเรียนก็สึกไปหมดแล้วแม้เรียนที่มอเจรอก็สึกไปหลายรูปหลายท่านแล้ว แต่ผมก็ยังอยู่เรียนนะแต่ก็รู้สึกสนุกดีนะรู้นู่นรู้นี่ได้เปิดโลกสึกได้เปิดโลกมีการทำวิจัยนะเกี่ยวเรื่องวัดบรรดาใจขอให้ผมให้ผมเียนผารนำ เขาพูดถึงเรื่องวัดวัดที่น่าสนใจว่าทำไมเขาวัดสีวัดศึกษาว่าเขามี<ๆ>เขามีเหตุปัจจัยอย่างไรในการในการทำให้เป็นศักยญาุดการเดียวรู้ ตัง้งแต่ผมอ่านผมใช้ตั้งแล้วปรบมือจะพิมพ์ปเปนเล่มครับเฮ้ยเขาจะเอามาเขาจะมานําเสนอเนี่ยวันที่ยีิบสาเนี่ยไม่รู้ที่ไหนในสวนโมงมั้งก็มีมีวัดโพธิ์เพือด้วยแล้วก็ในในสีวัดนั้นแล้วก็เขาจะพูดว่าวัดปรับตัวจะปรับตัวอย่างไรวัดในเมืองในเขตกึต่งเมืองจะปรับตัวอย่างไรเพื่อทําให้มีบทบาทในเรื่องการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสติปัญญา ก็ลองไปดูนะว่าคือว่ามั น, มนจะช่วยช่วยตอบปัญหาบางอย่างท่านได้บ้างเพราะว่าเราจะปรับเราจะปฏิรูปโครงสรางคณะสง์ก็ต้องมีมาเพื่อสิ่งนี้แหละคณะสงฆ์เพื่อ เ, เพื่อทำให้คนได้เกิดสติปัญญาทำยังไงการปฏิรูปหรือการปกครองคณะสง์ก็ต้องทำให้เกิดเหตุปจยยัจจัยนี้ขึ้นมาให้ได้ อาจารย์ก็ขอยอาจารย์ก็าาบวชนานแล้วก็มีบทบาทในสังคมญาติโยมเขารันับถือประคองตนได้อยู่วัดป่าอาจารย์มีวิธียังไงที่ทําให้แบบที่แบบอยู่อยู่ได้นานขนาดนี้ก็ <c oughs> สมาธิภาวนาก็ช่วยได้เยอะการมาอยู่ป่าแบบ น, นี้มันก็ทําให้เราใช้เราไม่เควมากแล้วก็เราไม่เรามี หลังที่ทุ่มเทอะไรบางเรื่อง <c oughs> พอสายพานมีช่วส่วนช่วยเยือะนะอีกส่วนนึงก็เป็นแรงผลักก็ได้สมาธิพานาเป็นแรงดึงดึงดหลดนะส่วนแรงเผาคือชีวิตความทุกข์ความเครียดในสายเป็นคาราวามัอานะจารย์เคยพูดไว้บ้างที่ผมเคยตามอ่านเตะๆอาจจะลืมลื ม, มกอก็เป็นคาว่ามันทุกข์อ่ะนะทุกข์กมันเ<า>ครียดเรื่องงานเรื่องอะไร มันเครียดเรื่องงานนะควทุกข์ผมเนี่ยอยากเป็นเรื่องงานซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลและเกิดจากก็เกิดจากการที่ไม่รู้จักวางจิตวางใจให้เป็นแต่นี่ความความความทุกข์ในชีวิตคาราว่ามันทำให้ทําให้ทําให้ไม่เวลาจะเวลาคิดจะสึกมันก็มีบ้างนะแต่ว่ามันคิดแล้วมันก็ทําให้ยัง้ง มันก็ให่เท่าลงมาแล้วก็ต้องดึงเท่ากลับนะเพราะว่ า, ารู้ว่าเสียพว่ามันทุกข์ <c oughs> ผมบวชตอนวิปป์นะก็โ้เจอความทุกข์พอระดับหนึ่งคืออายุเท่าตนของผมตอนนี้ตอนนี้นะ <c oughs> เออใน <c oughs> ผมทุกข์ก็ทุกเรื่องงานนยไม่มีอะไรมากอเรื่องผู้หญิงอะไรมันก็น้อยนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันก็มีบ้างแต่ว่าที่ทําให้มามาบวชก็เพื่อนเรทำงานแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนเรียกว่ากําลังจะเสียศูนย์แล้ว คนรุ่นเดียวกันก็ไม่ได้เครียดเหมือนอาจารย์เขาก็ไม่ได้หบวชอะไรคก็จะเครียดเขาอาจจะหาทางออกนะออไปกินเหล้าไปเทีย่ยวไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งเที่ยวห้างไอ้ผมทํามาเกือบหมดแล้วยกเป็นกินเหล้าเมายาออนะแล้วก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละที่ไม่ไทำํำก็สูว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หายหายเครียดก็เลยคิดว่าสมาธิพานาเ น, นี่แหละดีที่สุดเป็นทางออกได้ ซึ่งก็ช่วยได้จริงๆแต่ว่ามันก็ถ้าถ้าเราวังจะไม่เป็มมันก็จะเขวก็แต่ถ้าเราทําสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆมันก็อยู่ได้แล้วต้องมีของเล่นนะเครื่องอยู่ของเล่นเครื่องอยู่เนี่ยว่าผมก็อยู่วัดก็ทํานู่นทํานี่เขียนหนังสือบ้างแปดหนังสือบ้างรักษาป่าบ้างต้องมีของเล่นนะสมาธิอย่างเงี้ยมันมันไม่พอ อาจจะอาจจะไม่พอสำหรับผมต้องมีของเล่นให้เพลินๆ น, นะโอ้ขนาดอาจารย์เป็นคราวานะช่วงเวลานั้นก็ยังทุกขนาดนั้นแล้ยุคนี้ไม่ทุกกันโอ้โหทุกมากนะเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีไลน์ไม่มีเ ไ, ไม่มีสิ่งล่อใจให้ใ ห, ให้ให้อยากเสพอยากหาดี๋นี้มันมีสิ่ง รอดใจให้ใหเขเว้ไปหมดเลยไม่รู้จากเวลาจะแบ่งเวลาอย่างไงเพราะมันมีอะไรที่น่าสนใจหมดใช่ใช่ใช่ไน่าสนใจทุกอย่างแล้วมันก็อยู่ในแค่อื่มเทนั้นแหละะสมาร์ทโฟ น, นทำให้ทุกอย่างแค่อื่อมใช่ไ่มหนังเงยไม่ต้องไปดูอะไรมากก็ดูจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละจะไปเที่ยวบางทีก็ใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละนะ แต่ผมว่ามันแต่ละคนแต่ละวัยแต่ละรัยก็มีวิธีการเขาเองในการที่จะแก้ปัญหาของเขาสมัยผมยังหนุ่มมันก็สำหรับคนเท่าสำหรับผู้ใหญ่ก็ถือวาโห ม, มันเป็นช่วงที่สังคมมันก็ว้าบุ้นพอสมควรอยู่แล้วแต่ผมก็ยังสามารถที่จะปลีกตัวมามาบวชได้คนรุ่นนี้เหมือนกันก็คงจะเห็นเหมือนกันว่ามัน แน่ว่ามันจะมีสิ่งรอดตาลอดใจเยอะแต่ก็คงจะมีพอทุกข์พอถึงเต็มอิ่มแล้วมันไม่ใช่คํำตอบก็ต้องชิ้นออกมาแต่ท่านไม่เคยใช้ชีวิตแบบคาราวานนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมันรู้สึกมันซ่อนมันซ่อนมันร้อนยังไงมันทุกยังไงก็มีแบบมือนอันนี้ไม่รู้พูดไปจะเหมือนขายตัวเองก็คือแบบ มันมีเวลานั่งฉันข้าวเลยมีโยมสีกามามันคือตานี่มันจะหันแบบผมว่าทำไมมันไปไวกว่าใจเองมันไปเลยฮะแล้วพอหันปุ๊บออหน้าตาดีรีบๆนึงกลับมาตัวเองเป็นพระเสร็จแล้วสงสัยอีกครับสงสัยจริงหรือเปล่ามาดูดิโอ้โหนี่ผมแต่ว่าผมก็คือใช้ใช้เรื่องเรียนเรื่องอ่านมันมาช่วยได้เยอะสมัยนี้มันมันมันดึงดูดใจเหมือนกันสมัยก่อนนะ สีกาเขไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวมันสมัยนี้นะสมัยนี้ดูมันนี่มันมันแต่งตัวหมาลายนิธรรมศาสตร์อย่เยโอ้โหสมัยก่อนผมเรียนนะม้อห้อมใส่เกงยีนอะไรต่างๆนะไม่แต่งตัวนะครับทีนี้ผมไปธรรมศาสตร์นักศึกษามันแต่งตัวโอ้โหมันมันก็มันก็ทําให้เขว้ได้ง่ายไม่ใช่เควเฉพาะนักศึกษานะอาจารย์ก็เคว้ผมว่าอาจารย์ก็เควอาจารย์ก็เคว ว่ามันนี้แต่งตัวกันโห่หน้าดูอยู่เลยนะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยแล้ไม่ใช่หมาอะไรนะข้างนอกก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันมันมันรอดตารอดใจเยอะเลยถ้าไม่มีถ้าไม่มีสตินะเสร็จไม่งินเพราะอย่า ง, ง น, านี้มันแต่งตัวเต็มที่เลยผมเป็นพระไปเรียนนี่ก็ยังโดนโยมแบบเหมือนทดสอบอโยมผู้หญิงมาทดสอบเลยคือแบบประเภ่เดินมาใกล้ๆครับแล้วก็ฉีดน้ํำหอมแล้วก็ เดินเข้ามาแบบคือจะประชิดตัวเนี่ยประชิดหน้าเลยครับคือเห็นหมดเลยครับถ้าจะดูมันไม <arts should check inside> ่ดูก็เห็นคือมันอยู่ตรงหน้าเลยคือเขาสักสหลักหลักรูปแบบพยายามของมาถวายพูดจาดีอืสามสิบกว่าแล้วแต่ผมก็ยังไม่ไม่เขวเพราะว่ารู้สึกว่าก็พยายามเรียนรู้ว่านี่มานี้ไม่จริงมาพยายามกลัวกลัวว่าใช่มันของชั่วคราวกลัวว่าจะ เพราะความบวดนานเนี่ยทำให้เราซื้อแล้วไม่ทันโรคคราวาสก็อ ก, กลัวก็ไม่เรียนย้แล้วมันก็ปฏิวปดาช่วคราวนั่นแหละมันไม่มีมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรสุกชั่วคราวทุกยาวนานพอเตือนใจเนี่ยเออดีจริงแต่ก็ดี <c oughs> ผมเห็นนะสมัยก่อนเพราะมันก็ปูมันก็ปงนะผมก็ หลายคนที่เขาเราสมัยเด็สมัยหนุ่มหนูอะไรเขาสวยเขาอะไรนะครับผลตอนนี้เนี่ยเขาแก่แล้วนะดูไม่มีอะไรไม่มีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดแล้วนะโหเห็นเล็กปงนะ <c oughs> ที่ถ้าเกิดว่าเราไป <c oughs> เกิดเราไปสมัยนะั้นเราไปหลงเขาหน้ า, ไ, นะานะไปแต่งงานเขาหน้านะแล้วถึงตอนนี้เนี่ยเราคงจะเป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเขาก็ชราแล้วนะมันก็ทําให้เห็นนิด จ, จังเออ แต่ถ้าแต่แต่ถ้าเป็นพระกคือเหมือนบางบางท่านก็ห่วงเรื่องคนดูแลโดนตอนอายุมากอนะแต่ถ้าเป็นพระ<อ>ที่ปฏิบัติ ด, ดีก็คงลูกศิษย์ต้องหายอย่าไปห่วงเลย <c oughs> เป็นคารวะถ้ า, ถ, าถ้าไม่ทาตัวไม่ดีก็เหมือนกันเนี่ยนะนะพ่อแม่สมัยนี้ลูกมันดูแลที่ไหนยอะแยะเลยมีลูกเยอะแต่ลูกไม่ดูแลเป็นคารวะนั้นก็เหมือนกัน อย่าไปคิดว่าเออถ้าเรามีลูกแล้วลูกจะดูแลเจอบ่อยมากเลยลูกไม่ดูแลมันเป็นแต่สมัยพุทกาลแล้วนะเพราะว่าหลายลูกเนี่ยราทัพพรามก็มาบวชเพราะลูกทิ้งใช่ไหมแล้วก็ พ, พิสุนีบางท่านเนี่ยจําชื่อไม่ได้แนละ้วหัวมีลูกสี่คนเป็นมีลูกเจ็ดคนรวยนะแบ่งสมบัติให้ลูกหมดเสร็จแล้วลูกก็ทิ้งแล้มาบวชไปไหนไม่ได้บวชพิสุนี มันมีแต่สาววิการแล้วของคนฆ่าลูกตายเลยนะอาคมทันนิเทนมั้งได้ยินไหมพีจ้ามามมเป็นคนอ่านหนังสือธรรมะอ่านอ่านสือธรรมะทางวิทยุตามสายเอาเรื่องธรรมะเรื่องลูกูมั่นมาอ่านทางวิทยุคนติงงงเงี้ยพอแก่แล้วก็แบ่งสมบัให้ลูกนะ บอกว่วลูกไม่ดูแลแกป่วยลูกไม่ดูแลลูกมันพูดจาอะไรไม่ดีมันโกรธมากเลยยิงลูกตายนะแล้วยิงตัวเองตายโอ้เนี่ยอ่างสือธรร ม, มานะมาทั้งชีวิตนะมาฆ่าลูกฆ่าตัวเองปัญหาที่บอกเนี่ยเป็นพาและใครจะดูแลก็เป็นปัญหาเดียวกันมันเป็นคาราว่านะถ้าทําตัวไม่ดีก็ไม่ไมีใครดูแลเหมือนกัน หรือทำตัวดีแต่ว่าเลี้ยงรูกไม่ดีก็สวยไม่งันเลี้ยงโลกก็เหมือนจะเลี้ยงยากรู้ไหมครับพยู่กรณีใช่เลี้ยงยากมากไม่มีเวลาเลี้ยงด้วยอย่าไปอย่าไปฝากฝากใจไว้กับพระธรรมดีกว่าฝากใจไว้ในธรรมให้พระธรรมอารักขาคุ้มครองถึงเวลาถ้าปฏิบัติทำดีถึงแม้มีใครดูแลก็ก็ไม่ทุกข์ ก็ตายก็ตายอย่างสงบนะไม่ไม่ทุกข์ทรมานฝากใจไว้ในธรรมผมปากตัวเป็นสิทธ์อาจารย์อย่างเป็นทางการได้ไหมครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นทางการก็ได้แต่ผมอาจจะคือถ้ามันอยู่ที่วัดมันคิดเขียนอะไรไม่ค่อยออกอาจจะต้องอาศัยความเป็นวิเวกของวัดปายนี่อ๋อนิอมนต์เลยนะมาที่นี่มันเสียอย่างหนึง่งไฟฟ้ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวก แต่ว่าไม่เป็นปัญหารหรอกสมัยก่อนเนี่ยผมเขียนหนังสือเลื่มเรืเนี่ยนะผมเนี่ยไม่มีที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะผมต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยหนักประมาณห้าโลเนี่ยทุกทุกเย็นเนี่ยต้องไปเสียแบตเตอรี่ที่ป่าไม้เนี่ยหน้าวันเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะตรงโน้นตไกลนะถ้าทําวัดแล้วพินธบาศเสร็จก็เอาแบตเตอรี่กลับมาสะพายบาดขึ้นเขาแล้วก็ใช้ได้แค่สองชั่วโมงนะมันก็หมด ทขามก่อนกุฏิมันอยู่ข้างบนสะพายบาตแล้วต้องขึ้นเขาเพื่อไปฉันข้างบนนะแต่มันก็ยังเขียนได้คือปัญหามีที่ปัญหามีที่ไฟฟ้าแลือปัญหาที่ว่าเรามีเรามีไอเดียจะเขียนหรือเ่าถ้ามีไอเดียนี่เรื่องพวกนี้เรื่องเล็กแต่ว่าถึงไม่มีไอเดียเดี๋ยวมันก็ออกมาเองก็ น, นิี้หมดได้เลยมา ก็ถือโอกาสได้อยู Absolutely. ่ใกล้ครูบาอาจารย์ด้วยอมีอะไรผมช่วยได้ก็มันจะได้ถ้าชผของอยู่ว่าให้คําแนะนําได้ครับแต่เขียนสบายๆนะวิอนนพนเดี๋ยวเขียนไม่ออกก็ไม่เป็นไรับเขียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกเองบางทีก็คิดมากเพราเห็นเด็กเราะว่าก็จบไปสองคนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําเรื่องใหญ่โตนะครับก็คืง่ายๆแต่เรื่องของผมนี่ทําจนมีโยมพี่ก็รู้สึกรู้สึกดีนะเหมือน อย่างว่าครับเหมือนเหมือนเด็กต่างยังวันบ้านนอกเรามาบวชแล้วโอ้มีโยมพี่มาจากอเมริกา oh มามาสัมภาษณ์เรา <laughs> โอ้้ะไรนี่ไหเขาเขาเห็นทําเรื่องภาคีแล้วเขาก็มาคือตอนถแถลงเนี่ยแถลงที่ที่ ท, ที่อาจารย์สอนีรับเปิดไว้ครับตงรงสวนยานีมาใช่ใช่ครับขอใช้สถานที่ออกออกเงินเองกันหมดเลยนะครับ มาพิวันออกผมออกมีโยมถวายมาัง้งแต่ว่าหลักๆคือเราออกออกค่าสาันที่ออกค่าเอกสารพิมพ์เองทําเองเรารู้สึกว่าทําไมพระรุ่นเดียวกันไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันหนักมากเรื่องนั้นก็เลยลองทำเลักหน่อยเนี่ยแล้วก็ตอนที่ผมเรียนผมก็ขอทุนวัดพระรามเก้าแล้วก็ขอทุนธรรมศาสตร์เรียนก็ก็รู้สึกว่ามีบุญคุณก็เลยคิดในใ น, ในใจว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น ท, ที่ที่รู้สึกว่า พุทธศาสนาไม่ดีแล้วเราแก้ไขได้เนี่ยเราจะขอตอบแทนอย่างนี้บ้างบ้างหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เงินเหลนี้มันก็ไม่ได้เรียนเพรู้สึกอยากตอบแทน ต, ตอนอาจารย์เริ่มูทเนี่ยอาจารย์ผมเห็นภาพอาจารย์อยู่กับเจ้าคุณประยุทธ์ด้วยนะร่วมไปเรียนรู้งานท่านด้วยใช่ไหมเนาะมันก็ก็อ่านท่านงานท่านเป็นหลักคุยกับท่านน้อยนะอ่านเป็นหลักอ่อนอ่านเป็นหลักเพราะว่า ต, ตอนนั้นถ้านก็พอมีเวลาแต่ว่าผมอ่าพุทธธรรมอ่านอ่านสามเดือนทุกเดือนก็จะไปถามคําถามท่านสมัยนั้นท่านไม่ไมเค่อยมีแขงแต่งานท่านเยอะแต่ท่านไม่เค่อยมีแขงเพราะนั้นก็ท่านมีเวลาให้วันละครสองสามชั่วโมงก็จะเป็นลักษณะนั้นะแต่น้อยนะพออ่านพุทธธรรมจบก็ไม่มีอะไรจะไปถามท่านตัวใหญ่อ่านเอา รู้สึกเหมือนว่าเห็นพระดีๆเก่งๆก็มันจะจะถูกใช้งานเยอะเหมือนกันเหมือนอะไรก็ต้องไปถามท่านแล้วงานท่านก็เยอะอะไรเนี้ยมผมผมสุขภาพเหมือนพระก็ทำงานหนักมากผมก็โชคดีที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดอยู่กรุงเทพผมก็แย่เหมือนกันคนบอกทำไมไม่อยู่กรุงเทพนะ oh. เดินทางเหนื่อยนะอยู่กรุงเทพอะไม่ได้พักเลยหลางสาย เราจะอ้างก็ไม่ค่อยได้นะเพราะเราว่างเนี่ยเราว่างก็ต้องไปแต่อยู่นี่เนี่ยมันระยะทางมันคนก็สมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องเขียนจดหมายมาหรือแม่ก็ต้องมาถึงที่งานก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้แม้มีอีเมลแม่มีโทรศัพท์ก็ระยะทางก็ทำให้เราตัดสินใจง่ายเหมือน <c oughs> ถ้าเดินทางเจ็ดแปดชั่วโมงไปกับสิบห้าชั่วโมง ไปพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็ไม่คุ้มอะ่ะไปพูดสองชั่วโมงยังไม่คุ้มเลยเหนื่อยก็ไม่ไปแต่ถ้าไปก็ไปแบบยาวเลยนะติดๆกันเลยงานอ้นเนี้ยท่านลองดูนะถ้ามันมีถ้าเขามีบัน